พวกเรามีใครเคยเห็นปลาหมึกยักษ well, ์บ้างปลาหมึกยักษ์นะไม่ใช่ปลาหมึกทอดนะเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าหมึกนะไม่เรียกว่าปลาหมึกแล้วเพราะว่ามันไม่ใช่ปลาเหมือนกับปลาวานปลาโลมาก็ไม่เรียกว่าปลาวานปลาโลมาแล้วเ็าเรียกว่าวานกับโลมาปลาดาวเดี๋ยวนี้ก็เรียกว่าดาวนะปลาหมึกยักษ์ ตัวมันใหญ่มากนะที่มหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยมีปลาหมึกยักษ์ชนิดหนึ่งใหญ่ขนาดสี่เมตรนะสี่เมตรนี่ก็เรียกว่าถ้าขยายหนวดมันนี่ก็เกือบสองเสาเนี่ยนะดูน่ากลัวมากแต่ว่าพฤติกรรมมัน มันน่าทึ่งนะน่าประทับใจโดยเพราะตัวเมียตัวเมียเนี่ยพอถึงพอถึงวัยแล้วก็ได้ผสมพันธุ์แล้วเนี่ยมันจะตั้งหน้าตั้งตาหาถ้ำจะหาถ้ำไปทำไมก็เพื่อว่ามันจะได้วางไข่ เวลามันวางไข่นี่นะเป็นแสนเลยนะไข่ที่วางเนี่ยมันจะเป็นพวงคล้ายๆกับพวงองุ่นเราเห็นพวองอัญมนว่ามันเป็นมงพวงห้อยย้อยมาแต่ว่าเป็นสีขาวแล้วก็มีหลายพวง ก, ก็แสนฟองนะมันก็เยอะมากแล้วปลาหมึกเนี่ยมันก็จะอยู่แต่ในถ้านี่แหละคอยเฝ้าไข่ขเอาไว้ มันจะไม่ออกไปหากินเลยนะมันก็จะเฝ้าอย่างนั้นน่ะแล้วมันก็ไม่ได้อยู่เปล่าๆนะมันก็คอยป้องกันอันตรายไม่ให้ใครมาทำอะไรกับไข่นี้แล้วก็คอยเช็ดคอยถูเอาหนวดนี่นะคอยถูคอยสัมผัสไข่เพื่อไม่ให้ตะไคร่น้ำขึ้นเพราะว่ามันไม่ได้อยู่แค่วันสองวันฤกษ์ทิศสองอาทิตย์นั้มันอยู่เป็นเดือนนะ มันเอาตะมันอาหนวนเนี่ยถูเช็ดไข่เป็นแสนฟองเนี่ยเรียกว่าท่วนทั่วเลยเพื่อให้ไม่ให้ตะไข่น้ําจับแล้วก็เพื่อให้ออกซิเจนนะเพราะไข่พวกนี้มันก็ต้องการออกซิเจนแล้วมันก็อยู่อย่างนั้นนะมันไม่ไปไหนไม่ออกไปหากินรู้ไหมว่ามันอยู่นานเท่าไหร่นะในถ้ำเนี่ยโดยที่ไม่ไปหากินเลยมันอยู่นานถึงหกเดือน แล้วถามว่ามันหิวไหมมันหิวเพราะว่ามันไม่ได้ไปหากินนะมันรักลูกมากร่างกายก็พายพร้อมเรื่อยๆพายพ้อมเรื่อยๆมันก็ยังทําหน้าที่ของมันคอยดูแลไข่จนกระทั่งผ่านไปหกเดือนไข่ก็เริ่มจะฟักมันก็ยังทําหน้าที่สุดท้ายกนะ็คือว่าพ่นน้ําพ่นน้ําเพื่อให้ไข่เนี่ยมันฟักได้ง่ายขึ้น คอยพ่นให้ทั่วเลยจนกระทั่งไข่เนี่ยมันเริ่มอ่อนนะตัวอ่อนก็ค่อยออกมาออกมาได้อยู่รอดได้จริงก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่เท่าไหร่นะฟักแสนฟองแต่ว่าออกมาแล้วก็อยู่รอดได้จนโตเต็มวัยนี้ก็อาจจะแค่ร้อยแค่พันแต่ว่า แม่ปลาหมึกนี่มันก็ทำดีที่สุดแล้วมันก็ช่วยรู้ได้เท่านั้นมันก็ดูแลลูกจนมันตายเลยนะมันดูแลลูกจนตายตายเพราะอะไรตายเพราะขาดอาหารนะมันไม่ยอออกไปหากินเลยนั่นมันยังไม่เคยเจอสัตว์ชนิดไหนที่มันรักลูกขนาดนั้นนะก็คือว่ามันดูแลลูกจนมันขาดอาหารตาย มันก็แปลงว่าธรรมชาติของสัตว์เนี่ยมันก็ต้องมีสัญชาตญาณเอาตัวรอดเราอาจะเคยเห็นสัตว์บางชนิดเนี่ยมันกินลูกเพราะว่ามันหิวแต่ว่าปลาหมึกชนิด น, นี้เรียกว่าสุดยอดมากนะคือยอมตายเพื่อลูกได้อันนี้คนเราเห็นเรื่องราวของสัตว์ชนิดนี้แล้วเนี่ยบางทีก็ต้อง นับถือนะว่ามีความรักลูกจริงๆนะอันนี้ก็มันก็เป็นเพราะสัญชาติยานความเป็นแม่นะที่ฝังอยู่ในสัตว์ทุกชนิดรวมทั้งคนด้วยเคยเล่าให้ฟังแล้วในเรื่องหมาขี้เลื้อนที่มันถูกทุบจนสลบไปเลยเพราะว่ามันไปขโมยขโมยเนื้อตากแห้ง คนที่ทุบนี่ก็เป็นคนที่ชอบกินหมาซะด้วยแต่ก่อนก็ไม่แตะหมาขี้เลือ้อนเลยเพราะหมาตัวนี้เพราะเห็นว่ามันขี้เลื้อนแต่ว่าต้องังโกรธขโมยเนื้อแห้งน้าก็เลยเอาไมาห้หน้าสามฟาดจนชักเลยชักแล้วก็แน่นิ่งระหว่างที่เขาก็เลยไปเอาคนที่ตีก็จะไปเอามีดมาเพื่อที่จะจัดการสำเร็จโทษ มาแล่เพราะว่าโกรธมากเขานี่จะกินไอเนื้อหมาขี้เลือดแล้วละ่ะด้วยความโกรธแต่พอมาถึงที่เดิมปรากฏว่าหมาหายไปแล้ ว, ลวก็ตามรอยเลือดไปปรากฏว่าหมานี่กำลังให้นมลูกนะมันจะตายอยู่แล้วมันยังคิดถึงลูกนะมันก็กระเสือกกระสนไปเพื่อที่จะให้นมลูกเป็นครั้งสุดท้ายพอเขาไปเห็นเนี่ยกขาไปเห็นแววตามันก็าศพตากับมัน มันเป็นแวลตาที่วิงวอนร้องขอขอว่าให้ฉันมือนกัว่าขอร้องให้ฉันให้นมลูกเป็นครั้งสุดท้ายนะส่วนเนื้อที่มันขาามานี่ก็มีลูกหมาอีกตัวนึงก็กำลังกินอยู่นะกินด้วยความหิวผู้ชายใะบอลเนี่ยเห็นหมาตัวนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาเห็นไม่ใช่หมาแล้วละมันคือมันคือสัตว์ที่ ไม่ใช่หมาแต่มันคือแม่ที่มีความรักลูกอย่างยิ่งนะพอเห็นแล้วเขาออนเลยนะที่อยากจะมาตีมันให้ตายหรืออยากจะแลกเนื้อมันก็หมดเลยยิ่งเห็นลูกมันวิ่งมาหาเขานะเขาก็ยิ่งสงสารนะก็จับลูกขึ้นมาแล้วก็บอกว่าพูดกับหมาว่าขอโทษนะแต่ว่าหมาก็ตายไปแล้วูกแม่หมานะ อันนี้เป็นความรักของแม่หมาที่ยิ่งใหญ่มากเลแม้ว่าจะเป็นหมาขี้เลื้อนที่ว่าคล้ายๆก็ลังเกียนอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่มีในในสัตว์นะที่เราเรียกว่าเดรัจฉานนะแต่ว่าเขาก็มีคุณธรรมนะเรื่องสัตว์นี่มีคุณธรรมนี่มีเยอะความรักเจ้าของ เมื่อเดือนที่แล้วนี่ก็มีหมาตัวหนึ่งเจ้าของตายพอเจ้าของตายหมาก็หายไปเลยลูกๆ ก, ก็มรู้หมามันหายไปไหนพอพอไปเอาศพเนี่ยเข้าสุสาน นะก็นึกว่าไม่มีอะไรแล้วพอหนึ่งปีต่อมาจะมาทำบุญให้กับพ่อที่ตายที่สุสานนั้นก็ไปเจอหมาหมามันเฝ้าอยูนะ่ก็หมาตัวนั้นแหละนะที่มันเคยติดเจ้าของเขาก็ถามลูกหลานเขาก็ถามว่าไอ้หมาตัวนี้มันมาอยู่นานหรือยัง ก็บอกมาต้องนานแล้วมันอยู่เป็นปีแล้วมันมาเฝ้าเจ้านายของมันที่ตายเนี่ยที่อยู่ในสุสานนั่นแหละมันไม่ไปไหนเลยนะอาจจะไปหากีม้มาเสรัแล้วก็มานั่งเฝ้านอนเฝ้ามันเฝ้าเพราะมันเฝ้าเจ้านายมันทุกวันเลยขณะที่ลูกนี่มาแค่ปีละครั้งลูกก็แปลกใจนะเอ๊ะมันรู้ได้ยังไงนะว่าเจ้านายมานันนี่ฝังร่างไว้ที่นี่ ม, มันก็ฉลาดมันก็ศาสตร์ตามจนเจอนะที่มันหายไปเนี่ยมันไม่ใช่หายไปไหนหรอกนะมันไปนรออยู่แล้วที่สุสานนะไปตามหานะอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นเรื่องของสัตว์ที่มีคุณสมบัติที่มนุษย์เรานี่ควรจะเอาเป็นแบบอย่างนะธรรมะนี่มันก็เรียนรู้ได้เนี่ยจากสัตว์นะสัตว์หลายชนิด ทั้งความอดทนทั้งความเสียสละนะทั้งความกตัญญู่นะสารนี่มันไม่ใช่เป็นเพียงแค่อาหารที่จะให้เรากินนะแต่ว่าสามารถจะสอนทรมาให้กับเราได้มากมายที่ตอนนี้ก็เทศกาลจินเจก็เริ่มแล้วนะวันนี้นะอันนี้มันก็ ก็เป็นเรื่องดีเหมือนกันนะท้าวว่าเราจะได้มาระลึกถึงว่าการที่เรากินสัตว์เป็นอาหารนี่มันก็เป็นเป็นได้เป็นการเบียดเบียนสัตว์ชนิดหนึ่งนะซึ่งอาจจะจำเป็นสำหรับความอยู่รอดของเราแต่สมัยนี้เราไม่ได้กินสัตว์เพื่อความอยู่รอดเท่านั้นเรากินเพื่อความอ ร, อร่อย มันเลยพ้นจากความอยู่รอดไปแล้วไอความอร่อยของอ ร, อร่อยของเรานะแต่ว่ามันได้มาด้วยชีวิตของสัตว์มันก็ดูไม่ค่อยจะจะคุ้มค่ากันเท่าไหร่นะอันนี้เพราะนั้นเนี่ยสมัยนี้เนี่ยการที่การที่กินเนื้อสัตว์มันอาจจะไม่ใช่ ถังเลือกสุดท้ายของเรานะสมัยก่อนนี่มันก็ไม่ค่อยมีอะไรจะกินนะก็ต้องกินเนื้อสัตวนะ์บางถิ่นบางแห่งนี่ก็มีแต่สัตว์ให้กินอย่างเดียวนะเช่นพวกเอสกิโมนะต้องกินแต่ปลาพวกที่เบยนี่ก็ปลูกผักไม่ค่อยได้ก็ต้องกินเนื้อนะเนื้อยักเนื้อจามเรีหรือพวกอินเดียนแดงที่เคยเล่าเนี่ยก็ต้องกินเนื้อจากวัวใบซันนะเพราะว่า ผักนี่มันหายากนะปลูกก็ไม่เป็นแต่เดี๋ยวนี้นี่ผักมันหาง่ายแล้วเพราะฉะนั้นนี่เราก็ควรจะกินเนื้อให้น้อยลงนะกินสัตว์ให้มากเฮ้ยกินเนื้อน้อยลงกินผักให้มากขึ้นหรือว่าเจ้าขายที่มีศรัทธานะจะกินเจได้ยิ่งดีหรือมังสวิรัตนะิอย่างที่เล่าไว้เมื่อสองวันก่อนว่าฝั่งเดี๋ยวนี้หลายคนนะ ทั้งที่มีชื่อเสียงและไม่มีชื่อเสียงก็หันมากินมังสวิรัตกันมากขึ้นเพราะสาเหตุสองประการคือเรื่องสุขภาพอย่างเบลคินตัน น, นี่ก็มากินมังสวิรัตแล้วเพราะว่าเกือบตายมาสองครั้งแล้วเพราะโรคหัวใจนะผาตัดมาสองครั้งแล้วเลยหันมากินผักมากินผักล้เออชอบแฮะก็เลยเลือกเลิกกินเนื้อไปเลยหรืออย่างไม้ไทยสันเนี่ยซึ่งเราไม่คิดว่านักมวย กิริยาอาการโหดไายดุไายนี่จะมากินมังสวิรัตนี่นี่ก็มากินพวกนี้ส่วนหนึ่งก็กลัวตายเพราะโลคกลักวใจอีส่วนหนึ่งก็เริ่มเห็นว่าเออมันก็เป็นการไม่เบียดเบียนสัตว์ด้วยพวกเราชาวพุทธนี่ก็ก็ต้องคิดเรื่องนี้ให้มากโดยเพราะเราถือสี่ข้อที่หนึ่งนะการไม่การไม่ฆ่าสัตว์นะ ถึงแม้ว่าสัตว์ที่เรากินมันจะไม่ได้เกิดจากการฆ่าด้วยน้ำมือของเราแต่บางทีการที่เราการที่เรากินมากๆมันก็ไปส่งเสริมให้เขาฆ่าสัตว์มากขึ้นเพราะว่าพอมีคนต้องการกินสัตว์มากมันก็ต้องมีคนไปหาสัตว์มามาให้เรามาตอบสนองเรามันเป็นระบบตลาดนะคนต้องการอะไรมันก็จะมีตลาดไปหามาตอบสนองเรา ไม่เหมือนสมัยก่อนเหมือสมัยก่อนนี่ไม่มีระบบตลาดนะเราเราเรากินเนื้อสัตว์แต่ว่าอาจจะไม่ได้ไปส่งเสริมการฆ่าสัตว์ก็ได้เพราะว่ามันมีอยู่แล้วนะคนทำให้แล้วแต่เดี๋ยวนี้นี่มันมีระบบตลาดนะซึ่งถึงเราไม่ไปฆ่าเองแต่ถ้าเราต้องการอยากจะกินอยากจะบริโภคมากมันก็มีคนไป หามาให้เราเพราะว่าหามาให้แล้วมันเขาก็ได้กําไรได้เงินมันก็นําไปสู่การฆ่าในที่สุดเพราะฉะนั้นการการกินเนื้อสัตว์บางทีมันก็เป็นการส่งเสริมไม่มีการฆ่าสัตว์โดยทางอ้อมด้วยอันนี้เราก็ต้องตระหนักเอาไว้นะแล้วก็กินเท่าที่จําเป็นหรือว่าช่วยกันส่งเสริมให้มีการกินมังสวิรัติให้มากขึ้น มันก็จะเป็นการช่วยลดการฆ่าสัตว์แล้วก็เป็นการส่งเสริมสุขภาพของเราด้วยเฉะนั้นทศกาลกินเจนี่ก็เป็นเรื่องที่ดีนะแต่ว่าใช่ดีกว่านั้นคือว่าทำไปเรื่อยๆนะตลอดทั้งปีอันนี้เราก็ต้องตระหนักว่าบางคนอาจจะทําไม่ได้ตลอดนะแต่ว่าก็ลดให้มันน้อยลงเมือ่อ บ, บางคนนี้เลิกเล่ายังไม่ได้ก็กินให้มันน้อยลงนะแล้วเดี๋ยวว่าเลิกได้ในที่สุดอันนี้ก็เป็นเป็น เป็นหน้าที่อย่างหนึ่งของเรานะในฐนานะที่เป็นชาวพุทธที่ต้องพยายามอยู่โดยเบียดเบียนสัตว์ให้น้อยที่สุดหรือเบียดเบียนเพื่อมนุษย์หรือว่าชีวิตต่างๆให้น้อยที่สุด